ดูความพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระเจ้าพันธุมะเนี่ยนะพอได้รับฟังอย่างนั้นเสร็จก็คิดว่าวิปัสสีราชกุมารอยากได้ถึงกับไม่สวยราชเสียเลยยังไงก็ต้องเสวีราชดังนั้นวิปัสสีราชกุมารอย่าผนวดออกบวชเป็นบนรรปชิตเลยถ้อยคําของเนมิตรพราหมยอย่าพึงเป็นความจริงเลยเศร้านะฟังคือไม่อยากให้ลูกบวชเลยเนี่ยนะเพราะ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 ต้องการให้พระโพธิสัตว์เนี่ยถูกผูกถูกมัดถูกร้อยถูกรัดด้วยรูปที่น่าปราถนาอย่างเดียวต้องการให้ผูกมัดใจของพระโพธิสัตว์ด้วยเสียงที่น่าปราถนาะต้องการให้ผูกมัดรัดด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยสัมผัสที่น่าปราถนาเพราะคิดว่าวิธีนี่แหละเป็นวิธีการที่จะให้พระวิปัสสิราชกุมารสวยราชสมบัต โดยอาการที่จะไม่ให้พระวิปสัสสิราชกมุมารเสด็จผนวดบวชเป็นบนรรปะชิตโดยอาการที่จะให้ถ้อยคําของเนมิตะพราหมณ์เนี่ยเป็นคําที่ผิดภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าครั้งนั้นพระวิปสัสสีราชกมุมารนั้นก็เพียบพร้อมอถูกบำเรย อ, อยู่ด้วยกา ม, มคุณห้าบำรงบําเรออยู่เนี่ยนะชีวิตก็มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายเนี่ยนะนี่ต่อไปอีก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 พิสูจทั้งหลายนายสารธีการาบคําสั่งของพระวิปัสสีราชกุมารแล้วก็เตรียมยานที่ดีๆเสร็จแล้วก็กราบทูลแด่พระวิปัสสีราชกุมารว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าได้เตรียมยานที่ดีๆเสร็จแล้วบัดนี้พระองค์ทรงกําหนดเวลาอันสมควรเถิดภิสูุทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสีราชกุมารก็ทรงยานอันดีเสด็จประพาสพระอุทยานพร้อมกับยานที่ดีๆทั้งหลาย ดูความพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อพระวิปสัสสีราชโกมานนั้นขณะที่เสด็จประาพาสพระอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่มหาชนเนี่ยประชุมกันและวอที่ทำด้วยผ้าสีต่างๆงนะงานศพโบราณ น, น่ะนะถ้าสมัยนี้ก็อะไรพวงรีเต็มไปหมดเลยเนะไอ้ผ้าสีสมัยนี้ก็คือพวงรีทั้งหลายเนี่ยนะคนเนี่ยมารวมกันเยอะแยะพวงรีเต็มไปหมดเลย พอพระเนตรเห็นแล้วก็รับสั่งถามนายสารทีว่านายสารธีผู้สหายหมู่มหาชนเนี่ยเข้าประชุมกันทำไมและเขาทำวอด้วยผ้าสีต่างๆกันทำไมนายสารทีก็กราบทูลว่าขอเดชะนี้เรียกว่าคนตายพระวิปัสสีราชกุ ม, มาร ก, ก็ถามสั่งว่านนรับสั่งถามว่า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 นอนนิ่งเลยนะไม่กระดิกอะไรเลยเนี่ยนะก็คิดดูนะไม่ใคนตายไม่ใช่ตายแบบอายุ16ตายอย่างที่ยังสวยงามอะไรไม่ใช่เรียกว่าแก่ป่วยแล้วก็ตายเนี่ยนะสภาพของคนตายจะเป็นยังไงนายสารธีก็กราบทูลว่าขอเดชะนี้แหละที่เรียกว่าคนตายบัดนี้มารดาบิดาหรือญาตสาโลหิตอื่นๆจักไม่เห็นเขา ต่อไปเนี่ยนะตายเสร็จแล้วก็เผาเผาเสร็จแล้วก็ไม่มีใครเห็นใครเลวแม้เขาก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นมารดาเห็นบิดาหรือเห็นญาติสาโลหิตอื่นๆก็แปลว่าคนรักทั้งหลายคนที่รักเขาทั้งหลายก็จะไม่เห็นเขาแม้ตัวเขาเองก็จะไม่ได้พบเห็นคนที่เขารักเลยนายสารธีผู้สหายพระโพธิสัตว์ก็ะถามถึงตัวเราก็จะต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้หรือ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 ความตายเกิดแก่เจ็บตายนี่เลี้ยงยากยากไงนะนะเขาบอกว่าโอร่างกายของเราเนี่ยให้กินก็แล้วให้ดื่มก็แล้วให้นั่งก็แล้วให้ลุกก็แล้วให้นอนก็แล้วโอ้ยมันยิ่งดูแลยากทั้งภาระกับภาระใหญ่แท้เนี่ยนะนะแล้วก็ลุกเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็โอ้ยวุ่นวายแท้เนี่ยนะนะอะไรจะทุกข์เท่ากับขันห้ามีอีกแล้วภาระหาเวปันจักขันทาขันห้านี่แหละตัวมหาภาระเนี่ยนะนะใครรู้สึกมีความสุขที่ได้เลี้ยงร่างกายบ้างอ่ะนะ แม่คนนั้นเนี่ยใจเขาทำด้วยอะไรนะเนี่ยนะหรือบุญเก่าเขาทำมาดีแท้เขาช่างมีความสุขในการดูแลร่างกายแท้เนี่ยนะแต่แม่มันภาระเหลือเกินเนี่ยนะบุญน้อยนำเกิดก็ยังงี้แหละท่านบอกว่าเมื่อชาติความเกิดเนี่ยนะชราพญาธิมรณะทั้งสามก็ย่อมปรากฏชาตินี่จึงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเมื่อไม่มีชาติคือความเกิดเนี่ยจะต้อง ปลอดโปร่งเพราะฉะนั้นพระกุมารประทับนั่งขุดรากของชาติดุดถอนลูกศรลูกที่สามที่ทิมแทงรู้เลยว่าต้องถอนความเกิดอย่างเดียวมันวิธีทําลายไม่ให้เกิดนี่แหละจึงจะพ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายเนี่ยจะต้องไม่เกิดอย่างเดียวหลายคนก็บอกโอ้ยถ้าเกิดแล้วจะได้พบได้เห็นในสิ่งที่เราพอใจหรือห่วงเหลือกเกินกลัวจะไม่ได้เกิดปัญหาว่าไม่ได้เกิดจะเป็นมนุษย์อย่างนี้วะไอ้คำว่าเกิดในตัวนี้เกิดในที่ไหนนรกเปรตอสุรกายและเดรชานทั้งหลาย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 นายสารถีผู้สหายหมู่มหาชนประชุมกันทำไมเขาก็ทำวอด้วยผ้าสีต่างๆกันทำไมข้าพระพุทธเจ้าก็กราบทูลว่านี่แหลเรียกว่าคนตายพระองค์ก็ได้ถามข้าพระองค์ต่อไปว่านายสารถีผู้สหายถ้าเช่นนั้นเธอจงขับรถไปทางคนตายนั้นขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าก็ราบคําสั่งของพระวิปัสสีราชกุมานแล้วก็ขับรถไปตามทางคนตายนั้น ขอเดชะพระกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นคนตายแล้ว น, นะเห็นคนตายเนี่ยภาพคนตายไม่ได้สวยอะไรอยู่แล้วใช่ไหมขนาดเป็นเนี่ยนะแก่ตอนแก่ก็ไม่สวยตอนป่วยก็ตอนเจ็บก็ไม่สวยเนี่ยนะแล้วตายจะสวยมาจากไหนใช่ไหมนั้นภาพที่เห็นเนี่ยก็โอ้สุดสังเวชประมาณนั้นแหละบางคนนี่ไม่กล้าไปดูคนตายเลยเนะียก็มาเนี่ยโตพอสมควรแล้วถึงกล้าเห็นคนตายบ้างปกติแล้วโอ๊ยไม่จําเป็นไม่เห็นเด็ดขาดอ่นะ ไม่มีธุระเอาเข้าโรงก่อนแล้วเขาว่าไปเห็นสี่เหลี่ยมก็ค่อยยังชั่วหน่อยนะไเอาไปเห็นภาพคนตายแล้วทําใจไม่ได้เคยไปนอนอยู่ใกล้ป่าอยู่ในปา่าช้าโอ้ยเปลนมันก็ขาวคลา ค, คุ้งเนี่ยนะก็หลับดิ้มกันนะเอาจนหลับจนได้นะตื่นขึ้นมากลางดึกโอ๊ยเสียวอูบเลยนะแล้วก็ขณะเขาไปนอนอยู่ปา่าช้าหลายปานะ่าช้าเนี่ยมันก็ยังเสียวๆอยู่เหมือนกันนะนะแสดงว่าเออมกลัวอะไรกันแน่เนี่ยนะกนะ็นี่แหนะละกลัวอะไรกลัวใจตัวเอง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 ค่ะพระพุทธเจ้าก็กราบทูลว่าขอเดชะนี้แลเรียกว่าคนตายบัดนี้มารดาบิดาและญาติสาโลหิตอื่นๆจักไม่เห็นเขาแม้เขาก็จักไม่เห็นมารดาบิดาหรือญาติสาโลหิตอื่นๆเพราะฉะนั้นเขาต้องสูญเสียเขาต้องพลัดพรากจากของรักทั้งหมดค่ะพระองค์พระโพธิสัตว์วิปัสสิราชุกมางก็ถามต่อไปว่านายสารถีผู้สหายถึงตัวเราก็จะต้องมีความตายเป็นธรรมดา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 มันก็ต้องมีการพลัดพรากพระเจ้าแผ่นดินพระเทวีพระญาติสาโลหิตอื่นๆก็จะไม่เห็นพระองค์แม้พระองค์ก็จะไม่เห็นพระเจ้าแผ่นดินพระเทวีหรือพระญาติสาโลหิตอื่นๆพระโพธิสัตว์พอได้ฟังอย่างนี้ก็ตรัสว่านายสารถีผู้สหายถ้าเช่นนั้นวันนี้พอแล้วสําหรับภูมิภาคแห่งสวนเธอจงนําเราเนี่ยกลับไปวังจากสวนนี้เถอะ ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากราบคำสั่งของพระวิปัสสีราชคุมาร น, นั้นแล้วก็นำเสด็จกลับไปยังวังจากพระราชุทยานนั้นขอเดชะพระราชคุมานั้นแลเสด็จถึงวังแล้วก็ทรงเป็นทุกข์เศร้าพระไทยพระองค์ทรงดเริว่าผู้เจริญได้ยินว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นของที่น่ารังเกียจ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 ตายเพื่อเกิดเกิดทําไมก็เกิดจะได้มาแก่มาป่วยมาตา ย, ยนะไปไหนบอกไปเกิดไปพบใหม่ไปเกิดได้พบใหม่เกิดทําไมจะได้ไปแก่ไปป่วยไปตายบอโอ้นี่เหรือกิจกรรมเนี่ยนะช่างไร้สาระแท้แัง น, ะนั้นนะก็พิจารณาโอ้เนธทาให้เกิดนะจะแก่อย่างนี้ไหมก็คิดวิตกนะนะตรึกพิจารณาต่อไปว่าทํายังไงจะได้พ้นจากความเกิดเมื <ME> ่อพ้นจากความเกิดแล้วก็ต้องไม่ต้องแก่อีกแล้วไม่ต้องเจ็บป่วยอีกแล้วไม่ต้องตายอีกแล้วเนี่ยนะ หลายคนเนี่ยนะเขแค่เดาในใจว่าไม่ต้องเกิดบางคนเขาคิดอย่างงี้นะเออเดี๋ยวตายแล้วก็จบแล้วไม่ต้องเกิดไม่ต้องเจ็บปวดเพั้นคนที่ตายคือคนที่มีความสุขใช่หรือก็ข อ, ขอให้เป็นเช่นนั้นเอถอะเนี่ยนะถ้ามันตรงกันข้ามกับที่เข้าใจล่ะเนี่ยนะถ้าถ้าไม่มีอรหัตตะมักมากําจัดสาเหตุแห่งความเกิดบอกว่าอย่าไปคิดเลยว่าจะ ถ้าตายแล้วจะสบายนี่ยนะยิ่งคนที่มีโอกาสพราพระพุทธศาสนาถ้ายังเจริญคุณธรรมจนถึงอริยมรรคไม่เกิดจะอุ่นใจเลยเนี่ยนะเพเหมือนกับว่าอะไรนะเชื่อโรคอันนี้มันไม่ได้ตัดเด็ดขาดจริงๆเพียงแต่ว่าอะไรนะผ่าตัดเอาเนื้องอกออกก้อนเดียวแต่ว่าไอ้ที่เหลือมันไม่ได้รับการรักษามันงอกได้ทุกที่พันธ์มันก็เจ็บปวดได้ทุกที่พราะอากุศลคมทั้งหลายมันที่นําเกิดมันก็เป็นอย่างนั้นพันก็พร้อมที่จะไปทุกทุกหนทุกแห่ง สำหรับผู้ที่เกิดมาแล้วเนี่ยนะอยากคิดว่าจะพ้นจากความเกิดได้ง่ายๆเนีย่ยนะ